เพิ่งพากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจดวงเดียวนี้แหละเป็นแก่นแห่งโคนคิดให้มันเห็นตนจะเป็นสุขก็เพราะใจดีจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจร้าย ไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เข้าใจเป็นนักบวชก็ตามเป็นครือขัดก็ตา ม, ต, ามต่างคนต่างก็มารักษาเอาจิดตดวงเดียวนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาจิตใจนี้เองเนะ ถ้าพูดสั้นๆเข้ามาแล้วรักษาใจนี่ได้แล้วได้หมดทุกอย่างเลยกายก็ได้วาจาก็ได้ถ้ารักษาใจนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้สักอย่างหมายถึงไม่ได้ความดีนั่นแหละความดีจักไม่มีความดีนี่ มันอยู่ที่ทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นนี่แหละบ่อแห่งความดีความดีจักไม่เกิดถ้าบุคคลผู้มีใจกวดแกร่งเหมือนอย่างบุคคลเอาต้นไม้ปลูกลงในดิน ถ้าให้ลมพัดวันไววไปมาอยู่ยนี่ต้นไม้ต่านั้นต้องตายแน่มันไม่มีเวลาที่จะหยุดนิ่งไม่มีเวลาที่จะทำงานเกี่ยวกับการดูดอาหารมาเลี้ยงลำต้นดังนั้นมันต้องตาย จิตใจคนเราก็เหมือนกันนะปล่อยให้มันคิดส่านไปไม่หยุดไม่ยัง้งมันก็ไม่มีเวลาที่จะมานึกถึงความดีได้ไม่มีเวลาที่จะเก็บเอาความดีมาไว้ในใจนี้ได้มีแต่ ปล่อยความดีทิ้งไปและสร้างความชั่วให้เกิดขึ้นในใจอันจิตใจพุ่งสร้างนี่มันก็เป็นการเบนไปทางชั่วนั่นแหละไม่ใช่ไปทางดี ถ้าทางบุญทางกุศลแล้วมันไม่ได้คิดมากคือมันคิดน้อมเข้ามาภายในใจนี่ไม่ได้คิดส่องออกไปข้างนอกทางบุญทางกุศลนะ่ะให้เข้าใจคือน้อมเข้ามาชําระใจที่มัวหมองให้ผ่องใสเนี่ย นี่แทางบุญกุศลนะใจนี่มันจะผ่องใสสะอาดได้ก็เพราะเรามีสติสัมปชัญญะลึกเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งให้มันนึกพุทธโธอย่างนี้นะถ้าไม่มีสติแล้วมันจะไม่นึกพุทธโธนะมันเป็นอย่างนั้น ถ้ามันไม่มีสติน้อมเข้ามาภายในนี่แล้ะมันจะไม่รู้ลมหายใจเข้าออกนี้เลยถ้ามันไม่มีสติแล้วมันจะไม่สามารถจะดูอัตภาพร่างกายอันนี้ให้เห็นได้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็อยู่ที่สติสัมปชัญญะนี่แหละ ทาสองอย่างนี้นับว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงของการฝึกตนได้เป็นอย่างดีเลยถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วคุณธรรมอื่นๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยย่อมเจริญไม่ได้เพราะว่า มันระลึกไม่ไดม้มันรู้ไม่ได้เมื่อระลึกไม่ได้มันก็รู้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเราระลึกเข้ามาหาจิตอย่างนี้นะถ้าไม่ระลึกเข้ามานี่มันก็จะไม่รู้จักจิตตัวเองเพราะว่าจิตมันอยู่ภายในนี่มันอาศัยอยู่ในหาไทยวัตถุเนี่ย ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนั่นนะในธรรมที่พระพุทธภาคเก่า แ, กแสดงไว้ดีแล้วนะผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเอง <c oughs> แล้วก็อ้างไม่อ้างการอ้างเวลา ผู้ใดน้อมเข้ามาก็ให้ผลทุกเมื่อเลยสามารถเรียกผู้อื่นให้มาดูได้เมื่อน้อมเข้ามาแล้วนะน้อมเข้ามามาเห็นจิตของตนบริสุทธิ์จากบาปโทษต่างๆอยู่อย่างนี้นะ ไม่เห็นว่าตนนั้นมีศีลบริสุทธิ์โยตนไม่ได้รู้อำนาจแก่ความโลภอันเพ่งเล็งไปหลอกกลวงชอง่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตอนเลยตนไม่มีจิตพยาบาทจองล้างจองผลานใครเลยเพราะว่าจิตจของตอนอยู่ภายใน ไม่ได้เพ่งโทษผู้อื่นก็จึงรู้ได้ว่าจิตนี้ไม่มีพยาบาทอาฆาตจองเวรใครจิตรู้อยู่ภายในเห็นแจ้งร่างกายตามเป็นจริงอยู่ถึงชื่อว่าจิตไม่หลงคำว่าจิตหลงนะัหมายถึงจิตหลงอัตภาพร่างกายอันนี้เองนะ่ หลงขันห้านี่ยอเส้นอย่างมันมันมีความเห็นผิดคิดว่าโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรแบบนี้นะมันก็หลงสัญญาขันนั่นเองแหละความจํำน่ะหลงสังขารขันคือความคิดนึกอืเมื่อตอนคิดเห็นอย่างไรแล้วเข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนั้นไป ซึ่งจะไม่ตรงกับคำสอนของพระเจ้าก็ตามก็ไปถือมั่นในความเห็นของตัวเองไม่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทียบดูกับความเห็นของตอนสำคัญผิดคิดว่าตนเห็นถูกต้องนี่เนะี่ในความเป็นผู้ที่ ไม่เป็นผู้ขาดสตินะมันเป็นอย่างนั้นขาดสัมปชัญญะขาดการวิจารณ์ขาดเหตุขาดผลดังนั้นจึงเข้าใจผิดไปจากคำสอนของพระติเจ้าไอความเห็นของตนน่ะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลสมันจะไปแน่นอนยังไงได้ละ่ะ ตนยังละกิเลสไม่หมดอ่ะนั่นแหละคนไม่รู้ตัวแลวจะไปเชื่อความเห็นของตนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรอ่ะในเมื่อมันมีกิเลสมักดองอยู่ในจิตใจนี่บางทีกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือจิตนี่มันก็บังคับจิตนี้ให้เห็นผิดเป็นชอบไป เพราะว่าตนไม่มีกำลังอะไรที่จะมากาจัดกิเลสนี่ออกจากกิตใจได้เนี่ยนันมันถึงได้เห็นผิดเป็นชอบไปสำหรับผู้ที่หมั่นภาวนาหมั่นน้อมสติสัมปัญญะเข้ามาหากายหาจิตนี่เพ่งจิตนี้ให้สงบลงไป อยู่เสมอเสมออะไรอย่างนี้มันจักไม่เห็นผิดเลยฮนะมันจักเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากทรงสอนอย่างไรในธรรมวัดเช้าเราก็ว่ากันอยู่ทุกเช้าเลยบหุลาระวัตตาติ ส่วนมากพระองค์ทรงสั่งสอนว่ารู ป, ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวดานาอานิจจาเวทนาคือความเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่เที่ยงสัญญาอานิจจาสัญญาคือความจําหมายจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจํา โหดทพะจำธรรมารมต่างๆโมนีมันก็ร้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยสังขารานิจาสังขารคือสภาพปรุงแต่ง จ, จิตใจอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันปรุงให้เกิดเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างโมนีนะ ล้วนแต่ไม่เที่ยงเท่านั้นนหละอา้าวถ้าหาว่าความคิดเป็นบุญก็ไม่เที่ยงแล้วจะเอาบุญที่ไหนมาเป็นที่พึ่งได้บางคนก็อาจจะวิจารณ์ไปอย่างนี้ก็ได้อันตัวบุญแท้ๆไม่ใช่ตัวความคิดต้องให้เข้าใจอย่างนั้นตัวบุญคือดวงจิต คือความรู้สึกนั้นต่างหากความคิดมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกนั่นแหละเมื่อมันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญอย่างนี้นะมันก็คิดทำอย่างไรจึงจะเป็นบุญอย่างนี้เมื่อมันคิดมันพิจารณาตรงว่าทำอย่างนี้จึงเป็นบุญกุศลเมื่อมันคิดได้แล้ว มันก็ใช้กายทาใช้วาจาพูดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นไปแต่ความคิดนั้นคิดขึ้นมาแล้วมันดับไปแต่ความรู้นั้นมันยังอยู่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นความรู้ดีความรู้จริงความรู้ที่สงบเย็นเบิกบาน อันนั้นแหะคือตัวบุญนะอ่าอันความคิดความนึกต่างๆนั้นมันเป็นอาการของบุญต่างหากคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอันนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาแม่บาปก็เหมือนกันนะเมื่อคิดโลภคิดโกรธขึ้นมาแล้วความคิดนั้นมันดับไปแหละ แต่ว่าความรู้สึกในเรื่องของความโรคความโกรธนนมันมีอยู่มันฝังอยู่ในจิตนั้นนั่นแหละตัวความโรคตัวความโกรธมันอยู่ที่จิตนั้นเองนะมาในเมื่อบุคคลเห็นว่าความคิดเช่นนั้นมันเป็นบ่อกเกิดของบาปอากุศลขึ้นในใจ เช่นนี้จึงมาเพียนละความคิดอันนั้นด้วยการภาวนาอย่างที่เราทำกันอยู่นี่ น, นพยายามน้อมสติสมบัติญาเข้ามาประคองจิตนี้ไว้อย่าให้มันคิดไปในทางบาปอากุศลให้มันคิดไปในทางบุญทางกุศลการนึกพูดโทอย่างนี้มันก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลย หรือการเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตมันเอียงไปทางบาปอากุศลอย่างนี้นะเช่นนึกว่าหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายชีวิตนี่ไม่มีอะไรเป็นแกนสารเมื่อกาหนดทิจารณาเพ่งดูอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึก เปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งอย่างใดนะก็จะสังเวชสะลดใจอนี่เกิดขึ้นในใจว่าเรานั่นมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนอมาอาศัยอยู่ในเรือนร่างอันไม่เที่ยงนี้หนอมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วทําอย่างไรละวะนี่เมื่อมันรู้มันคิดมัน สังเวทขึ้นมาอย่างนี้ก็ควบคุมจิตเพ่งจิตสอนจิตให้ปลงให้วางขันห้านี้ลงถ้าไม่อยากมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้อีกต่อไปเห็นว่าการอาศัยอยู่ในขันห้านี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะขันอันนี้มันไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องปลงต้องวางเสีย อย่าไปดีใจเสียใจกับขันห้านี้เมื่อขันห้านี้ปกติโรคภัย ไ, ไม่เบียดเบียนก็อย่าไปดีใจเพลิดเพลินเพราะมันไว้ใจไม่ได้หรอกมันอาจวิบัติลงเมื่อใดก็ได้แน่นอนแหละผลสุดท้ายมันก็วิบัติจริงๆนี่เพราะฉะนั้น อย่าไปเพิดเพลินเจริญใจกับร่างกายว่าแข็งแรงดีเต้นสามสอกออกสามวาได้กินได้นอนหลับนี่อย่าไปนอนใจมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่ได้อัตภาพร่างกายอันเนี้ยที่นี้เมื่อเวลาขันห้านี่มันวิบัติลงโรคภัยเบียดเบียนได้รับทุกขวเวทนา อย่างนี้ก็อย่าไปเสียใจก็ให้เจริญเวทนานุปัสสนาเป็นอารมณ์เข้าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยมันเป็นแต่เพียงสังขารมันเกิดขึ้นอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไป ไม่ว่าสุขขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาหมูอนี่ไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนอยู่ได้เช่นทุกเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ดับเลยอย่างนี้นะไม่มีถ้าเป็นเช่นนั้นคนเรามันก็ตายไวๆนั่นแหละมีแต่ทุกขตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไปเรื่อยอย่างนี้นะมันจะทนอยู่ได้อย่างไรอ่ะ ที่มันทนอยู่มาได้นี่ก็เพราะว่าความทุกข์มันเกิด่ขึ้นระยะหนึ่งแล้วมันผั ด, ดับไปมันนี่ก็มีสุขเกิดขึ้นมาแทนขอให้ได้สบายใจไปพักหนึ่งนั่นแหละดวงกีดนี่มันกำมาลงอยู่ในระหว่างสุขกับทุกข์นี่แหละวันนี้นะจำนวความสุขเกิดขึ้นก็เพลินไปเอ้า ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นมาผัดเศร้าใจเดือดร้อนใจนี่มันเป็นอย่างนี้คนธรรมดาสามัญอ่ะแล้นี่คนผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ภาวนาทำใจให้สงบระ ง, งับตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อ่ะจักไม่เป็นอย่างนั้นมานีจักมีปัญญา สอนจิตให้อยู่ในระหว่างกลางแห่งความสุขหรือความทุกข์นั่นเองสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่เพิดเพลินยินดีไปตามสุขนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะไม่ยินร้ายไปตามจะไม่เสียใจเศร้าโศกไปตามเพราะว่าทุกสิ่งมองเห็นโดยปัญญาแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วจะไปเป็นทุกข์กับมันทาไมปัญญามันก็สอนใจเข้าไปอย่างนี้นั่นเองเมื่อปัญญาสอนแล้วใจนี้มันเห็นตามแล้วบอกว่าอย่าอย่าเสียใจอย่าไปเศร้าโศกไปตามมันเพราะมันไม่ใช่ของเราเมื่อจิตมันถูกปัญญาสอนเตือนอย่างนี้แล้วมันก็เห็นตามจริงๆเลย เห็นแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ภาวนานี่นะถ้าภาวนาถูกทางแล้วนะมันไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันหานี้แม้วิญญาณก็เหมือนกันนะวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้ง มันมีอยู่หกอย่างความรู้แจ้งทางตาความรู้แจ้งทางหูความรู้แจ้งทางจมูกความรู้แจ้งทางลิ้นความรู้แจ้งทางกายความรู้แจ้งทางใจนี่วิญญาณ น, นะมันเกิดขึ้นในหกทางนี่แหละ เช่นตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้ขึ้นในตานั่นแหละว่านั่นรูปนั้นอย่างนี้นะเมื่อหูได้ยินเสียงมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นในหูนั้นว่าเสียงอะไรเสียงคนหรือเสียงสัตว์อย่างนี้จมูกได้สูดกลิน่นอย่างนี้กลิ่นหอม หรือกินเหม็นมันเกิดความรู้สึกขึ้นในจมูกนั่นแหละลิ้นได้รับรสอาหารจะเป็นรสหวานรสเค็มรสจางหรือรสขมอะไรก็ตามแหละมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นในลิ้นนั่น กายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเช่นนี้มันก็เกิดความรู้สึกขึ้นที่กายนั่นแหละว่าขนาดนี้ร้อนขนาดนี้หนาวอะไรเป็นต้นเหล่านี้นะบน้านี้ใจเป็นผู้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นพอนอารมณ์ใดกระทบเข้าไปที่ใจใจก็รู้อารมณ์นั้น อ่ขึ้นมาวันนี้นะนั่นแหะเช่นตาไปเห็นรูปเข้าเกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมันก็ส่งกระแสเข้าไปหาจิตจิตก็รู้ว่านั่นรูปคนนั่นรูปสัตว์นี่มันมันไปจากตานี่สาเหตุที่ใจจะรู้จากรูปนั่นน่ะหรือว่าจะเห็นรูปนั้นน่ะ เอนี้สมมุติว่าถ้าตาบอดลงอย่างนี้นะวิญญาณมันไม่ได้อาศัยอยู่ในลูกตานั่นน่ะมันก็เลยไม่เห็นรูปนั้นเลยวะนี้นั่นน่ะมันก็ไม่วิญญาณมันก็ไม่ได้ส่งเข้าไปหาจิตเลยว่าไอ้ตานี่มันได้เห็นรูปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีหูจมูกกลีนกายก็เหมือนกันแหละ เมื่อมันวิบัติลงไปเต็มที่แล้วนี่วิญญาณมันก็ไปอาศัยอยู่ไม่ได้นั่นแหละดังนั้นเมื่อเวลาคนใกล้จะตายน ะ, ะตามันก็ชำรุดหูก็ชารุดจมูกก็ชารุดไปหมดเลยไม่สามารถจะสูดกลิ่นอะไรได้แล้วลิ้นมันก็ชารุดไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลย วิญญาณทางตาเป็นต้นอันนี้ก็ ด, ดับไปดับไปดับไปตลอดถึงวิญญาณทางกายแบบนี้กายนี่เมื่อมันชํารุดมากแล้ววิญญาณก็ไปอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับลงดับลงมันก็มาเหลืออยู่แต่มโนวิญญาณก็น้อยเข้าน้อยเข้ามันไม่สามารถจะรับรู้ภายนอกได้เลยแบบนี้อมันวิญญาณมันดับลงดับลงไง นั่นให้สังเกตดูเป็นอยางไงวันนี้เมื่อวิญญาณคือมโนวิญญาณวิญญาณทางใจนี่มันดับลงแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตนี้มันก็ไม่มีแล้วท่านเรียกว่าจิตเข้าผวังจิตของคนธรรมดาสามัญ น, นี่ เมื่อเวลาจวนจะตายนี่มันจะเข้าระวังคือมันเคลิ้มหลับไปมันมันลืมตัวไปพูดง่ายมันเถอะไม่รู้สึกตัวแล้ววันนี้นะอมันเคลิ้มไปเหมือนยังคนเคลิ้มหลับไปเนี่ยเพราะว่ารู้สึกตัวขึ้นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไปแล้ววันนี้นะมันไม่มันไม่ได้อยู่ในร่างอันนี้แล้วอมันเป็นหน้าที่ของ กำใหม่จะพึ่งนําไปแต่วันนี้จะพิ่งตกแต่งนะตกแต่งรูปทิพย์ให้อยู่ให้อาศัยแต่วันนี้นะรูปทิพย์นี่มันเป็นฝ่ายบุญกุศลถ้าเป็นรูปเปรตรูปสัตว์นรกรูปอสุรกายอย่างนี้มันก็เป็นฝ่ายอากุศลเนี่ยมันสุดแล้วแต่จิตใจยึด เอาอะไรเป็นอารมณ์มากกว่ากันในขณะเวลาจิตมันจะลงรวังนะนะเมื่อมันยึดบาปไว้มากกว่าบุญอย่างนี้นะบาปมันก็มีหน้าที่ตกแต่งเือนร่างให้ดวงจิตนี้อาศัยไม่ต่อไปอ่มันเป็นอย่างไ น, นถ้าจิตนี่มันยึดเอาบุญกุศลได้มากกว่าบาปอย่างนี้บุญมันมีกําลังเหนือบาป มัน ก, ก็ตกแต่งที่อยู่อาศัยให้ดวงจิตนี่เรียกว่าตกแต่งรูปร่างให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยดีประนีตบรรจงที่ท่านเรียกว่าเทวดานั่นไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอจิตนี่ออกจากร่างนี้แลลวมันก็มีมันก็เกิดเป็นร่างใหม่ขึ้นทันที ก็าด้วยอำนาจบุญมันแต่งให้หรือด้วยอำนาจแห่งบาปมันแต่งให้นี่แหละคนไม่เข้าใจเรื่องบุญและบาปมันให้ผลแตกต่างกันไปเรื่องบุญเก่ากับบุญใหม่หรือบาปเก่ากับบาปใหม่ผู้ใดไม่วินิจฉัยให้ละเอียดถี่ถ้วนและมันสับสนไปหมดเลย เพราะว่าบุญเก่าบาปเก่านี่มันให้ผลอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ไปให้ผลไปแล้วเมื่อมันหมดอายุมันลงนี่นั่นแหละบุญเก่าหรือบาปเก่ามันจึงให้ผลสืบต่อได้ในขณะที่บุญเก่าหรือบาปเก่ามันให้ผลอยู่นี่บุญใหม่จะให้ผลต่อร่างกายอันนี้ไม่ได้เลย เป็นอย่างนั้นมีแต่ผลแห่งบุญเก่าผลแห่งบาปเก่าทั้งนั้นแหละมันให้ผลอยู่เช่นอย่างว่าบุคคลผู้มีผู้ทําบาปมาแต่ก่อนอย่างนี้นะถึงเวลาบาปนั้นมันให้ผลล่ะมันก็บีบบังคับให้ร่างกายอันนี้ซุดซอมลงบีบัตดลง เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หายนี่เรียกว่าอนุภาพแห่งผลแห่งบาปกรรมที่บุคคลกระทำมานะ่ะไม่มีอะไรจะไปลบล้างได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นให้เบื่อต่อบาปกรรมอย่าไปชอบทำบาป อย่าไปชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันเป็นกรรมเป็นเวรตามมาสนองตนในภายหลังในขณะที่ทําอยู่นั่นน่ะบาปกรรมนั่นมันยังไม่ให้ผลหรอกเช่นไปฆ่าคนตายทั้งคนอย่างเงี้ยมันก็เฉยๆอยู่งั้นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในกายในใจของคนเราเนี่ยนะแต่ว่า จะว่าไม่เปลี่ยนแปลงเเลยก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทางคิดใจใจนั่นแหละมืดมนเข้าใจมัวหมองเข้าไปแต่ทางร่างกายแล้วเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพอฆ่าคนลงไปแล้วแบบนี้บาปกรรมนั้นมันจะสนองเอาให้มีผู้มาฆ่าผู้นั้นทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่ เพราะบุญเก่าที่เขาทำมายังรักษาชีวิตอันนั้นอัตภาพร่างกายอันนั้นไว้อยูอ่มันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อบุญเก่านี้หมดลงบ่ใดล่ะบาปกรรมที่บุคคลพูดนั้นทำไว้มันจึงมีโอกาสให้ผลสืบต่อไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็น ให้เห็นเหตุเห็นผลเหล่านี้ดังนั้นเมื่อบุคคลผู้ใดามาชําระบาปอากุศลออกจากจิตนี้ด้วยภาวนาสมาธิหรือด้วยการเจริญปัญญาสอนจิตนี้ให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายต่อความชั่วทั้งหลายเสมอเสมอไปได้อย่างนี้อจิตนี้มันก็จะละต้นเหตุแห่งบาปอากุศลนี้ ไปเรื่อยๆละความโลกความคิดเพ่งเลงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนหมู่นี้นะมันเป็นหนทางให้สร้างบาปทั้งนั้นเลยละความโกรธความไม่พอใจให้บุคคลหรือสัตว์ดิริชาต์ไก่นี่แหละความหลงความเข้าใจผิด คิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ห่วงไว้ไม่ยอมให้ใครสนเสริญไม่ยอมให้ใครนินทาเออแต่ว่าสนเสริญนั้นชอบอยู่ถ้าใครสนเสริญดีอกดีใจถ้าใครนินทาว่าร้ายแล้วไม่พอใจโกรธเป็นฝืนเป็นไฟเมื่อเป็นเช่นนี้ถามตัวเองดูซิว่าปล่อยจิตให้เป็นอย่างนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ แน่นอนนะทุกคนตอบตัวได้ทันทีเลยว่าเป็นทุกข์นี่เมื่อสรุปใจความธรรมะที่อธิบายมานี่บุคคลจะเป็นทุกข์ก็เพราะไม่อบรมจิตที่ให้เฉลียวฉลาดให้สงบให้เย็นบุคคลจะมีความสุขได้ก็เพราะมาฝึกผนอรมจิตที่ให้สงบให้เย็นให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งขันห้านี่ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรา